ตอนนี้เราเรียนวิสุทธิมรรคมาจนถึงหน้าเท่าไรแล้วยี่สิบสามเองเนาะดูท่าแล้วจบหรือเปล่าไม่ทราบเอาจนจบเลยเนาะพอมาไม่เลิอกอยู่แล้วในหน้ายี่สิบสามที่กล่าวถึงบทสรุปเกี่ยวกับการกำหนดรูรปนามขันห้าว่าโดยสรุป ในภพสามกําเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตวาฏเก้าสิ่งเหล่านี้เมื่อประมวลย่นย่อมาแล้วก็คือรูปนามเห็นเห็นชัดเลยอรูปประพรมทั้งหลายก็เป็นแต่นามธรรมอาสัญญะสัตตาพรมทั้งหลายก็คือรูปประธรรมอย่างเดียวในปัญจโวการภพเป็นได้ทั้งนามและรูป งานของเราเนี่ยเราทั้งหลายที่นั่งๆั่งกันอยู่นี้ถ้านับแบบย่นย่อก็คือนามรูปรูปนามเอารูปก่อนหรือน้ำก่อนดีเอารูปก่อนนะท่านบอกว่ารูปมันหยาบเห็นง่ายส่วนนามก็ละเอียดกว่ารูปถ้าเทียบกับรูปนามละเอียดกว่าเยอ ะ, อะเมื่อมีความเข้าใจจําแนกแยกแยะในน้ำรูปได้โดยวิธีกี่วิธี ท, 9, ที่กล่าวมาโดยสรุปมีอยู่9วิธีด้วยกันอยากจะทบทวนตรงนี้ให้มากเพราะว่าตรงนี้เป็นบาทเป็นฐานเป็นพื้นฐาน9วิธีวิธีที่1คื อ, อนะผู้ที่ออกจากสมถะออกจากฌานออกจากอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณานามธรรมอ่าพิจารณานามธรรมเสร็จแล้วก็พิจารณารูปธรรมทั้งหลายนี่วิธีที่1วิธีที่สอง พิจารณาธาตุโดยพิสดารเนี่ยนะพิจารณาธาตุสี่โดยพิสดารธาตุดินน้ำลมไฟดินมียี่ยี่สิบไฟไฟสี่เนี่ยสลับกันหน่อยในตัวเลขชักยุงกันนะธาตุน้ำสิบสองธาตุลมหเห็นไหแล้วก็ดินน้ำลมไฟเหล่านี้คูณด้วยสมุทฐานสี่นะคูณด้วยสมุทฐานสี่เมื่อคูณด้วยสมุทฐานสี่ก็จําแนกเป็น ภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะเมื่อจำแนกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปเสร็จแล้วก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นที่ตั้งแห่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งนามธรรมาคืออะไรธาตุสี่คูณสมุตฐานสี่แบ่งเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปได้หนึ่งพันกว่าได้หนึ่งพันกว่าชนิด หนึ่งพันกว่าชนิดเนี่ยนะก็นามะขุกอันเนี่ยทุกรูปเนี่ยบวกกับนามะขันสี่หมดเลยมันก็สามารถพิจารณาทุกอย่างในความเป็นขันห้าขันห้าก็คือนามรูปนะนามรูปก็คือขันห้าพิจารณาทุกอย่างลงเป็นขันห้าพิจารณาผมโดยขันห้าขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตตหัวใจตับพังผืดทุกอย่างพิจารณาโดย ขันห้าอย่างละเอียดทีท้วนครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์จนกว่านึกถึงอะไรก็เป็นขันห้าหมดเลยคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นนาฬิกานี่ขันห้าไหมเป็นนาฬิกาเป็นรูปประขันจิตเจตสิกทั้งหลายที่คิดถึงขันห้าคิดคิดถึงนาฬิกามีนาฬิกาเป็นอารมณ์ก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันท่านขันห้าประชมกันใน ทุกคนทุกแห่งรู้ที่ไหนขันห้าที่นั่นนะเมื่อมีสิ่งที่ถูกรู้ที่ไหนที่นั่นก็มีขันห้าสรุปแล้วในโลกนี้มีแต่ขันห้าขันห้าเหล่านี้ถ้าแบ่งตามทวารแบ่งตามทวารก็ขันห้าทวารตาขันห้าทวารหูขันห้าทวารจมูกขันห้าทวารลิ้นขันห้าทวารกายและขันห้าทวารใจ ขันห้าทวารตาเหล่านี้จะแบ่งเรียกว่าธาตุก็ได้เช่นจักขรธาตุรูปธาตุจักรวิญญาณธาตุและธรรมธาตุแล้นขณะเห็นเกิดขึ้นธาตุสี่สี่อย่างประชุมกันขันห้าประชุมกันอายตนะสอย่างประชุมกันจากขวายตนะรูปายตนะมนายตนะและธรรมายตนะประชุมกันในขณะเห็นขณะได้ยินก็เหมือนกันนะขันห้าประชุมกันในขณะได้ยินเสียงคิดง่ายๆว่าหูกับเสียงเป็นรูปประคันเวทนาเป็น เวทนาขันภาษะเป็นสังขารขันโสตะวิญญาณเป็นวิญญาณขันสัทธาสัญญาเป็นสัญญาขันหรือถ้าเรียกเป็นธาตุก็หูเป็นโสตะธาตุเสียงเป็นสัทธธาตุโสตะวิญญาณเป็นโสตะวิญญาณธาตุเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมธาตุผันขันธาตุอายตนะประชมการการเห็นจึงเกิดขึ้นนี้พูดแบบสรุป ขันธ์ธาตุอายตนะประชมการจึงมีการาดาดได้ยินขันธ์ธาตุอายตนะประชมการจึงมีการรู้กลิ่นขันธ์ธาตุอายตนะประชมการจึงมีการรู้รสขันธ์ธาตุอายตนะประชมการจึงรับผกระทบโธตภะเช่นปวดปวดตรงไหนสบายตรงไหนตรงนั้นขันห้าประชุมกันเล็บขบนี่ขันห้าประชุมกันไหมประชมเล็บที่ขบกับเนื้อเป็นรูประคันทุกขกายญวิญญาณเป็นวิญญาณขัน รับกระทบสัมผัสเป็นกระทบสัมผัสเป็นอะไรขันเวทนาขันรับกระทบสัมผัสเป็นเวทนาขันอะไรแล้วมีขันอะไรต่ออีกโพธภาษัญญาเป็นสัญญาขันอะขันเหล่านี้ประชุมกันอายตนะทั้งหลายเหล่านี้ก็ประชุมกันธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็ ประชมกันในขณะเล็บขบนั้นขณะที่เล็บขบรู้ว่าเล็บขบเจ็บปวดเป็นต้นก็ขณะนั้นขันอายตนาธาต์ประชมกันนะที่ไหนก็ทั้งสรุปแม้กระทั่งขันศีษะนะขันศรีรษะเนี่ยก็ขันธาต์อายตนาประชมกันการขันศรีรษะจึงเป็นไปได้การเห็นการได้ยินการรูก้กลิ่นการนึกคิดทุกเรื่องแม้แต่ขณะที่นึกคิดก็ขันธาประชมกันสรุปในโลกนี้มีแต่ ขันห้าโลกแห่งขันห้าโลกแห่งขันห้าโลกคือขันห้าโลกห้าคือขันห้าขันห้าเหล่านี้เราเรียกว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่แตกสลายหรือแตกทาลายแต่ว่าเวลาที่เรานึกถึงอะไรเราก็ไม่ค่อยมีมณสิการว่าเป็นขันห้าทิฏฐิของเราจึงไม่บริสุทธิ์ไงใช่ทิฏฐิเราไม่บริสุทธิ์เพราะเราคิดถึงเช่นคิดถึงบ้าน มาฟังธรรมแล้วคิดถึงบ้านไหมไปถึงบ้านขันห้าไหมน้อยนักบ้านเราไงนาะคิดถึงรถขันห้าไหมสาธุขอให้เห็นอย่างนั้นจริงเถอ่อนนะขอให้จริงอย่างที่ว่าเถอะออกมาไม่ไม่ว่าอะไรหรอกเจริญแน่แต่ถ้ามาตอบเอาใจพระก็อย่างว่านะพระทูมิใจไบโยมก็เหมือนเดิมนะรักษาได้เท่าเดิมนี้ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ไหม พนักสรุปแม้กระทั่งได้ยินเสียงพ้าม่านก็ขันห้าประชุมกันการได้ยินเสียงจึงเกิดขึ้นสรุปทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งขณะหลับแล้วฝันก็คือความเป็นไปแห่งขันห้าชีวิตของเราที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติในไหนในอดีตก็คือขันห้าพรุ่งนี้ปรเรินนี้เดือนหน้าปีหน้าสิบปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งชาติหน้าความเป็นไปเหล่านั้นก็คือ ขันห้าขันห้าที่ดำเนินไปขันห้าที่ไหลสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไหลจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตไหลไปอย่างนี้เรียกว่าสังสารสังสารสงสารสงสารตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเห็นใจแต่แปลว่าไหลไปสืบเนื่องไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องดุดกระแสน้าขันทานังปฏิปฏิเนี่ยนะได้บอกว่าขัน อายตนะธาตุที่ไหลสืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายไม่มีอะไรมาว่างเว้นไม่มีอะไรมามาขั้นระยะนะอย่างนี้เรียกว่าสังสาระสังสาระแต่ถ้าเพิ่มสังสาระถ้าบวกวัตตะเข้ามาอีกก็กระจายเป็นกรรมวัดวิปากวัตและกิเลสวัฏขันธาตุอายตนะเหล่านั้นมาแบ่งเป็นกรรมวิบากและกิเลสที่ไหลสืบเนื่องกันไปจบที่ไหน ไม่มีที่จบเนี่ยนะเหมือนปล่อยให้กงล้อไหลจากที่สูงเนี่ยเราให้มันหมุนไปเดี๋ยวมันหมุนมันก็เลิกเองมีไหมไม่มีอะไรมันก็ลอ่ลองไปเรื่อยอย่างเงี้ยสังสารวัตก็เป็นไปเรื่อยเดี๋ยวพูดในระยะต่อๆไปว่าด้วยการกําหนดปัดจจัยแล้วจะเห็นชัดว่าที่เราเห็นคือการสร้างตาคือสร้างวตเนะไรนะ เมื่อไหรเนาะจะเห็นของสวยของงามเนี่ยนะเราจะสร้างตาไปถึงไหนนาะอย่างเงี้ยนะถ้ากําหนดปัจจัยคงจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมได้ยินเสียงที่เราพอใจปั๊บจะสร้างหูไปถึงไหนเนาะนะตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยก็ไปขู่เขามากเขาไม่ค่อยยอมนะจิตเนี่ยบางทีก็ขู่มากนี่มันว่าตานะีบางทีได้แค่หนึ่งนาทีที่เหลือมันเอาไปหมดแล้วเฉพาะจะเริ่มกรอบใจตัวเองใช่ไหมแต่บอกว่าเนี่ยจะพอใจในการดูเพื่อสร้างตาไปถึงไหน พอใจในการฟังเพื่อจะสร้างหูไปถึงไหนพอใจในรูกลิ่นเนี่ยนะหอมแล้วเกินดอกมะลิอย่างเงี้ยนะจะสร้างจมูกไปถึงไหนอันโน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็กรอบอันนั้นก็มันจะสร้างลิ้นไปถึงไหนนาะอย่างเงี้ยนะแล้วก็โอ้ยอากาศก็ดีเย็นสบายเป็นต้นเนี่ยพอใจไปหมดเลยจะสร้างกายไปถึงไหนเนาะเวลาคิดขึ้นมาบอกเธอจะสร้างจิตไปถึงไหนพาจิตล่องลอยไปสร้างพบสร้างภูมิที่ไหน และก็อย่างใ น, นที่กล่าวว่าคิดถึงอะไรอาจจะมันประกาศโดยตัวเองวันนั่นคือที่ไปในพบใหม่เดี๋ยวเรียนเรื่องปัจจัยแล้วจะเข้าใจชัดขึ้นแต่ตอนนี้มาทบทวนที่ว่าทุกอย่างทุกผนทุกแห่งที่เราคิดถึงก็คือโลกแห่งขันห้าหรือทาสบปดหรื อ, อยตนา12บสองถือว่ารู้กันใครที่มีความเห็นเช่นนั้นจริงๆก็คือ มีทิฐิวิสุทธิความเห็นที่บริสุทธิ์เป็นความเห็นที่ถูกต้องสรุปสรุปสรุปคิดถึงที่ไหนอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามคือขันธาตุอายตนะประชุมกันมีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีอแล้วแล้วเราคิดถึงพ่อล้วไม่มีพ่ออยู่เหรอ ม, ม, มีหรือไม่มีพูดให้ดีนะดังนั้นหนักนักเข้าพ่อแม่ก็ไม่รู้สักเรื่องเลยนะเอาไงอเนะ คือมีโดยโวหารมีโดยโวหารเป็นบัญญัติที่เรียกกันว่าเป็นพ่อเป็นแม่บัญญัติว่าพ่อแม่เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลเป็นต้นเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีล น, นี่เรากําลังพูดเรื่องปัญญาอยู่ว่าปัญญาที่เข้าไปวิจัยใคร่ครวนอย่างละเอียดสุขมุมรอบครอบแม้กระทั่งคิดถึงที่นาเรื่องสวนไรนาที่ดินเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็คือ ขันห้าประชุมกันมีแต่รูปนามขันห้าที่เป็นไปชำระความเห็นอย่างนี้โดยที่สุดแม้แต่ไหว้พระเจดีย์ก็ยังขันห้าหรือแม้กระทั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงขันห้าคำภีบางแห่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็บอกคือนามมาขันทั้งหลายที่ได้รับการอ บ, บรมมาสี่อสงไขยแสนกับ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่ได้รับการอบรมมาสี่อสงไขยแสนกับปัญญาได้ทากิจอย่างเต็มที่เป็นสัพพัญญุตยานการุณาได้ทากิจอย่างเต็มที่เป็นมหาการุณาสมาบัติยานานะเป็นขันธ์ที่ปราศจากราคะไม่มีอกุศลเจตสิกประกอบเป็นขันธ์ที่ปราศจากโทสะเป็นขันธ์ที่ปราศจากโมหะเป็นขันธ์ที่รู้ทุก นนะกาหนดรอบรู้ในกองทุกเป็นขันที่ละฉันนราคะได้เสร็จแล้วเป็นประดุจตามยอดด้วนอย่างที่เราสวดใช่ไหมเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นที่สุดอย่างไรพระองค์นั้นเป็นเช่นนั้นแม้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือขันห้าที่บริสุทธิ์นึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือขันห้าขันห้าขันห้าที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วย ราคาเป็นขันธ์ที่ไม่สัมปยุตด้วยโธสะเป็นขันธ์ที่ไม่สัมปยุตด้วยโมหะเป็นขันธ์ที่ปราศจากบาปปราศจากกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ถ้าธรรมังสรารนังค้าฉามีนะธรรมะก็คืออะไรธรรมะก็คือพระปริยติธรรมพระปริยติธรรมนั้นนะเป็นผลพวงของเสียงจิตชาติดจิตตชรูป คือเสียงที่เปล่งออกมาจากขันที่บริสุทธิ์เหล่านั้นมีการรวบรวมเขาเลยเรียวกว่าพุทธพจน์พุทธวจนะวจนะแปลว่าถ้อยคําพุทธก็คือของพระพุทธเจ้าพุทธวจนะก็คือถ้อยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือนามขันที่สะอาดบริสุทธิ์มีรูปประขันชั้นดีเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งขันที่บริสุทธิ์เหล่านี้เปล่งวาจาประกาศความจริงประกาศพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมประกาศศีลสมาธิปัญญาประกาศอริยสัจทั้งหลายก็คือมาประกาศความจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็คือขันห้าที่อ บ, บรมอริยมรรคเรียบร้อยแล้วอันในโลกนี้สรุปไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลปุตชนพระอริยะก็คือขันห้า แต่เป็นขันที่มีประเภทที่แตกต่างกันไปเป็นขันที่ละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไปเนีย่ยนะเพราะันขันห้าเหมือนกันก็จริงแต่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมบอกใช่แน่นะว่าเหมือนกันเหมือนในความเป็นมนุษย์ แต่ต่างในชาติชั้นวันนะสรีระผิวพรรณอายุรูปร่างโอ้ต่างกันมากเหมือนในความเป็นมนุษย์แต่ต่างในความละเอียดความประนีตยศศักดิ์เป็นต้นชั้นใดก็ดีขันห้าเนี่ยนะกว่าไปแล้วก็ขันห้าเหมือนคันแต่ขันห้าบางอย่างก็เรียกว่าสัตว์นรกนะเอาไม่ขันอันนั้นแทงนี้ทำเป็นไม่เอาเลยนะ ขันห้าของเปรตขันห้าของอสุรกายขันห้าของเดรัจฉานขันห้าของปลาสวายขันห้าของปลาดุกเป็นไงตัวเบลล์ในจะให้โอ้โหโอ้หูมองเห็นตัวใหญ่เลยดีนะัมันจะชอบใจแล้วก็ตัวใครตัวใครเนะี่ยไปอยู่ในท้องปลาละยุ่งเชื่อเปลาสวายดินะพวกเราอีกเป็นพันคนมารวมกันนะั้นตกอยู่ในท้องปลาตัวเดียวปลาสวายนี่ไข่เยอะมากเนี่ยนะเยอะจริงๆฟองนิดๆเนี่ยนะ ฟองนิดเดียวเองเนี่ยนะแล้วก้อนมันเนี่ยเนีย่ยเท่าแก้วน้ำสองก้อนคิดดูสักกี่ตัวดีเอาคนทั้งซอยไปหมดก็ลงท้องไม่พอไม่ได้เครื่องท้องปลาสวายเลยนะมันมากขนาดนั้นนั่นก็คือขันห้านั้นในฟองแห่งปลาทุกฟองนั่นคือขันห้าหมดเลยทุกๆฟองนะนั่นคือขันห้าในท้องปลาหรือในท้องมดท้องปลวกที่ไหนก็ตาม เมื่อคิดถึงพูดคําว่ามดคําว่าปลวกก็คือขันห้าปลาที่ฮุบเหยื่อก็คือขันห้าที่มันฮุบรู ป, ปขนนันนะจิตตชาวาโยธาตแผ่พเพื่อจะสูบเอาอาหารเป็น Med Med Pro เม็ดเม็อวินิโพรรูปเหมือนสูบเลยนะตัวมันใหญ่มากพอมาอยังไปเที่ยวถามว่าอาหารก้อนโตโตเท่าโป้งมือมีหรือเปล่าจะประโยให้มันทีละคําทีละคําไปเลยลักษณะเ น, นี่ยนะแต่บอกไม่มีงั้นซื้อขนมปังไปก็แล้วกันถ้าอยากได้ก้อนโตขนาดนั้นก็ <c oughs> อบายาพมินั่นก็คือขันห้าเดรชาส์หมาขี้เรือนก็ขันห้ามันเกาตรงไหนนะขันห้าตรงนั้นประชุมกันแค่ๆๆๆเนี่ยนะขันห้าประชุมกันไปวัดพระธาตุนะถ้าไปดูหลังพระธาตุเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นเยอะเลยตัวขี้เรือนเนี่ยนะปลาทุกตัวเต่าทุกตัวในนั้นนะนะมันมีลูกเต่าที่มันลอยตายมันใครที่จะไปปล่อยเต่าก็เลือกที่ปล่อยไหนนะไม่อาบดีไม่ดีอาจจะปล่อยให้ตายเร็วขึ้นก็ได้ถ้าไม่รู้จักปล่อยงั้นพวกปลาพวกเต่าก็คือขันห้า หมูหมากาไก่ก็คือขันห้าเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นี้ก็ขันห้ารูปรเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายก็คือขันห้าเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงไล่ไปเรื่อยจนถึงพรมทั้งหลายก็คือขันห้ารูปประพรมทั่วไปก็มีขันห้าอาสัญญาสัตตาพรมมีรูปประขันอารูปประพรมก็มีแต่นามขันสี่ พันสรุปแล้วในโลกในวัตตะในภูมิสามทุกขนทุกแห่งก็คือขันห้าอะไรเนอะเป็นเครื่องจำแนกให้ขันห้าแตกต่างกันเช่นนี้ขันห้าแตกต่างกันใช่ไหมไอความแตกต่างกันของขันห้าทั้งมวลนั่นแหละที่จะพึงรู้ได้ด้วยการกาหนดปัจจัยเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวต่อไปแต่สรุปขมวดใจความที่กล่าวไปทั้งหมดว่าทุกขนทุกแห่งมีแต่ ขันห้าเดียร์ทีทั้งหลายคิดอย่างนั้นไหมไม่คิดเนี่ยนะไม่คิดหรอกแล้วเราทั้งหลายมีปกติเห็นเช่นนี้ไหมก็แสดงว่าทิฐิยังไม่วิสุทธิความเห็นยังไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ใช่ไหมรู้ก็ดีแล้วโอรู้ที่วัดตนความเห็นไม่บริสุทธิ์ก็ดีแล้วจะได้ดีไหมสมมุติถ้าเรารู้ว่าอะไรบางอย่างที่เราสมมติเหมือนกับมีอะไรที่มันไม่ดีอยู่นะที่จะต้องได้รับการล้างออกไป ถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นมันสกปรกดีใจไหมดีจะได้ล้างเสร็จสักทีหนึง่งนี่ก็เหมือนการเรารู้ว่าความเห็นเราไม่ดีสัมมาทิฏฐิเราไม่ดีก็ดีแล้วจะได้ชำระสักทีหนึง่งชำระสักทีหนึง่งชำระทิฏฐิเหล่านั้นให้ดีเพราะฉะนั้นโดยที่สุดคิดถึงเห็บก็ขันห้าคิดถึงเทวดาก็ขันห้าจะนึกถึงอะไรก็ใส่ใจโดยความเป็นขันห้าทาสิบแปดอายตนะสิบสอง แต่ทีนี้ก็ไม่ใช่พูดลอยๆเฉยๆแล้วก็ค่อยๆจำแนกลงไปอีกได้ทั้งหมดว่าเออจริงขันห้าประชุมกันจรออนะความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์นะเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ขันห้าเหล่านั้นย่อลงมาก็เหลือแต่เพียงนามรูปเนี่ยน ะ, นะในข้อหกร้อยเจ็ดสิบสองหน้ายี่สิบสามกล่าวว่าพระโยคาวจร น, นั้นครั้นกำหนดนามรูปโดยสภาวะของตน ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมกำหนดเทียบเคียงความข้อนี้ว่าเป็นเพียงนามและรูปเท่านั้นสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอันนี้หมายคัาว่ามีไม่มีเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมีหรือไม่มีเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเคยเห็นลิเกมัเล่นไหมอันนอ๋อลิเกมันเล่นเล่นา่ายังไงพระเจ้าค่าไงใช่ไหมอืม ลิเกเล่นแต่งตัวเป็นหูเป็นอะไรเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นพระราชาเนี่ยนะลิเกมาเล่นนะแล้วมันเป็นจริงไหมอ้าวโหมันทะเลาะ ก, กันตายต้องไปเรียกมาเรื่องมาหน่อต้องเรียกพระราชาต้องเรียกเจ้าชายเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นลิเกโลกของลิเกชันใดโลกนี้บางท่านบอกมันเหมือนละครอย่างนั้นเนละเพราะฉะนั้นไอ้จริงบางอย่างมันจริงโดยสมมติขึ้นสมมติกันขึ้นไม่ใช่จริงแท้โดยประมัเพรันคําว่าสัตว์บุคคลเนี่ยจริงโดย บัญญัติจริงโดยสมมติแต่คนผ่านทั้งหลายถือว่าจริงแท้โดยประมัตเนี่ยนะคนผ่านทั้งหลายที่ไม่รู้จริงก็สำคัญว่าจริงแท้โดยประมัดเข้านั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีการกำหนดพิจารณาแยกแยะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะสาคัญว่าสัตว์มีบุคคลมีเนี่ยนะสำคัญว่าสัตว์มีบุคคลมี แต่จริงๆแล้วเป็นแต่เพียง <c oughs> นี่ก็นามรูปนี่ก็ขันธ์ห้ามประชุมกันแว่าเวทนาขันธ์มันทำกิจมากไปหน่อยต่อไปนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสพระสูตรหลายสูตรมากสูตรก็เพื่อประโยชน์แก่การละสมัญญาของชาวโลกที่ศัพที่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็น บุคคลคือชาวโลกเนี่ยนะสมัญญาสมัญญานีแ่แปลว่าคําพูดหรือโวหารของชาวโลกชาวโลกมันพูดยังไงนะมันเอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะนั้นไอสัตว์บุคคลทั้งหลายเนี่ยมันมีโดยโวหารเป็นสมัญญาของชาวโลกพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่การก้าวล่วงความลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์อันนี้คือประโยชน์ที่พระองค์แสดงธรรมใช่ไหม ประโยชน์ข้อแรกนะเพื่อเพื่อนะโนต้ตว่าหนึ่งมาเห็นนะเพื่อเพื่อประโยชน์แก่การละสมัญญาของชาวโลกที่ที่ว่าสัตว์บุคคล น, นี้เพื่อที่สองบอกเพื่อประโยชน์แก่การก้าวล่วงความลุ่มหลงว่าเป็นสัตว์แล้วก็เพื่อสามเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การตั้งจิตเอาไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลงได้เป็นอย่างดียิ่งอันนี้ด้วยเหตุผลสามประการที่พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรเยอะแยะไปหมดเลย เคยมีคนกขาบอกว่าท่านพูดช้าๆหน่อยนะได้ชาสมใจอยากแล้วตอนนี้นะตอนอื่นไม่แน่นะสรุปนะทบทวนว่าเพื่อละสมัญญาสมัญญาคือคําพูดที่สมัญญาโดยศัพแปลว่าความสําคัญหมายนั่นแหละใช่ไหมสมัญญาคือความสําคัญหมายของชาวโลกที่บอกนี้สัตว์นะนั่นบุคคล จริงๆแล้วเมื่อแยกแยะโดยละเอียดไม่มีอย่างนั้นจริงสองก็เพื่อประโยชน์ละความลุ่มหลงมันหลง จ, งจริงๆนะว่าเป็นเป็นสัตว์นะเพราะพื้นฐานไม่เคยจะพูดแบบภาษาหมอหน่อยเขาไม่เคยเรียนอณุโตมีอะไรเลยเพอที่จะแยกแยะบ้างเลยนะไม่มีเลยนะแล้วก็สามก็เพื่อประโยชน์ตั้งจิตเอาไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลงความไม่ลุ่มหลงเป็นชื่อของปัญญาเรียกว่าอะสัมโมหภูมินะนะ อสัมโมหะภูมิดูนะตกข้างล่า ง, างหน้า24เนี่ยนับลงสามบรรทัดอสัมโมหะภูมิมยังจิตตังอะนะตั้งจิตเอาไว้ในอสัมโมหะภูมิคือภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลงเพราะว่าทิฏฐิวิสุทธิคืออะสัมโมหสัมปัญญาอะนะทิฏฐิวิสุทธิ์ี่นี้เป็นอะสัมโมหสัมปัญญา มันสติปัฏฐานนี่คืออาสาัมโมหะสัมปชัญญะการคิดอย่างนี้นี่แหละคือการเจริญสติปัฏฐาน น, นะนะการกําหนดดังที่กล่าวไปทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานบางคนเนี่ยปรารถนา จ, จะเจริญสติปัฏฐานมากนี่แหละการปฏิบัติข้อปฏิบัติดังที่กล่าวไปเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นเวลาคิดถึงดอกไม้ก็ขันห้าประชุมกันงี้หรือเปล่าสาธุ น, นะนะจิตไม่ลุ่มหลงอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะ เห็นาฬิกาแทกๆก็เออขันทประชุมกันนะมันจึงรู้ว่านาฬิกามันหมุนไปอย่างนี้ว่าดีมากสาธุข้อนี้สมจริงดังที่วัดพระวชิราภิษุณีกล่าวไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเพราะองค์เครื่องประกอบเพราะมีองค์เครื่องประกอบอ่ะนะสับว่ารถจึงมีได้ เครื่องประกอบของรถมีอะไรบ้างแล้วเห็นอันแรกก็ประตูเปิดเข้าไปก่อนหนหรือเห็นอะไรเห็นเป็นโครงสร้างก่อนเห็นเป็นโครงเห็นเป็นล้อเปิดประตูก็ไปเป็นประตูจับเป็นพวงมาลัยนั่งบนเบาะจับเกียร์เหยียบคันเร่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วรถมันคืออะไรกันแน่บอกขับรถอย่างงงั้นรถก็ไม่มีสิอะนะก็เพราะทัาผสมพาระเพราะอะไรไร้ส่วนมาประกอบกันเข้าชื่อว่ารถจึงมีฉันใด